ลมิจิตเป็นกําลังรอถึงทุดงพระวัดนั้นเพลงวัจนานเกินไปถ้าจะฝึกให้ตรงกับอสาวห้ า, าคือคอคหรือก อ, อยอนี้จะมีการเลื่นขึ้นเลื่นลงได้หรือไม่จะใช้นี่เป็นการสเสนอเท่านั้นเองเออดีเหมือนกั น, นรับรับรั บ, ร, บรับฟังแต่ยังยังไม่ได้ตัดสิ้ใจเพราะต้องปรึกษาพระอทีหนึ่งมือ มีใครที่ได้กลับไปยังอะไอ๋อโปรกมกำลังนะยมยมนเชิญมีใครได้มาไหมล่ะลูกน้องอ่ะมนรูจักชื่อรู้จักกันหน้าหน้ากันหหน้าด้วยหน้ากันเลครู้จักแต่ตัวกันเสียดมีใครได้มาไล่ะลูกน้องเราอเอะอ่า โอวายเหรอชื่อวายรอวารีจอมยุทธแก่งุฏบาศเนี่ยเมีเมชื่อวายเหมือกันนะโอวารีันทร์พระบงเนี่เหรอครับก็เรามาคุยกันคุณวารีอยู่หรือเปล่าล่ะโอวายแมคืออูยังจะจอมรถยนต์น่แตอนแรกกว่าอูนึกว่าอูแล้วชื่อวารีไงนึกว่าเป็นอูมีคนทำพระร่วง พระลวงนะพระลวงลวงจะเป็นนาฬาลวงแล้วก็จะเป็นทองคำหรือเปล่าไม่รู้โอ้ถ้าใครทาพระลวงองค์เล็กหายแล้วก็นี่งสุนวารีอะเล่แหละนี่แหล ะ, หละโอ้เจมไอ้เหรอมีเก้าอี้ไหมเว้ยเก้าอี้ไหมเอาเอานี่ก่อนนีอเก้าอี้แกไปอยู่ข้างหลังตวงเมื่อเช้านี่ด้ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ต้องนั่งไม่ไปไลนั่งเขาจะได้ อาจารย์ค e, uh, ุยเลยอาจารย์คุยเลยถือไว้กันไม่ต้องพูมได้หมพิยตัวไมเหรอวางไว้กันวางไว้กนก็ได้เอาวางไว้เออถือถอกันใครใจยาวๆพวกเราทางนั้นเนี่ยรูจากกันทางนั้นแหละไม่ต้องกลัวหาใจหลวงพ่อายังอหลวงพ่อมาาแล้วยังไม่เป็นไรั่งก้องไปว่าไม่ไ ปีสามห้ายคุยคุยอะไรก่อนก็ได้ไม่ด้อะไรคุยอะไรกันก่อนธรรมดาใช่มีมีครอบครัวแล้วเนาะเออมีลูกตามีเหรอมีสามีแล้วบ้างครอบครัวมีแล้วนะไปบ้านอยู่ที่ไหนล่ะพระพุทธบาทอ่ะอ๋อในคนพระพุทธบาทนะจังหวัดสระบุรีค่ะพบหลวงพ่อมาตั้งปีสามห้าค่ะแล้วเพราะอะไรล่ะถึงได้มาเริ่มใสหลวงพ่อแล้วถึงได้มาสนใจเรื่องศึกษามรรมฐานเนี่ยอ่านหนังสืออ๋ออ่านหนังสือ นังซื้ออะไรอ่ะเขาไปเช่าที่วัดนาธาบอ๋อให้เช่าเลยก็ก็ไปซื้ออขาไปซื้อมาเหลอวัดนาธาบพีชายซื้อมาอ๋อดังนั้นเราจะไม่รู้จักวัดธาตุทรงแล้วยังไม่รู้จักเลยอ่าแล้วซื้ออะไรเล่มแรกที่เราอ่านมาเป็นเป็นของวัดธาตุรงแต่เล่มบางๆอ่าเล่มบางๆเรื่องอะไรไม่ทราบนะ้ก็ประวัตินี่ได้ลบก่อนเขาประวัติลบข้อเหรออ๋อเล่มเล่มบางๆอ่านแล้วประทับใจตอนไหนบ้างอ่ะเอ่อ ประทับใจว่าหลวงพ่อเออมีฤทธ์อะไรแบบอ๋อโหนี่นี่นี่มีฤทเลยชอบเหมือนกันได้อาจารย์มิโซเหมือนกันไหอ๋อแล้วเลยสนใจแล้วก็เลยอีกหามาพบหลวงพ่อที่ไหนก่อนหรือว่ามาเจอที่วัดเลวันวันลุกขึ้นก็มาเลยมาลุกขึ้นมาเลยเลยมาเลยโอ้โหเจอใบสั่งเหมือนกันมามาพบหลวงพ่อหรือเปล่าล่ะ มาเจอที่สาราที่ปีสามห้าปีท่านจะสิ้นมาดีเลยนะเออมาเดินไหนมามกกะลาอ๋อหลวงพ่อสิ้นประตูลานะคะมาพบท่านที่ติกรับแขกมาถึงก็แล้วก็มาสามโมงเย็นละใกล้ใกล้อะใกล้ใกล้ท่านจะเลือกพอดีเออพบท่านทั้งแรกว่าไหนบ้างนะก็ตอนที่อยู่บ้านก็ เออไปหาหลวงพ่อนี่ต้องแต่งชุดสีขาวเว้ยอ่าอ่าใช่เอออ เ, เออพระใหญ่พระโตวะนี้อ่าพระใหญ่พระโต ต, ต้งแต่ชุดสีขาวโอ้อยังไม่ได้ท<ช>บเลยนะดูแล้วเยอะยังไม่เจอก็แต่งชุดสีขาวแล้วก็มาใกล้หลวงพ่อใจ น, นั่นแล้วหนูก็เข้ามาตรงตรงประตูที่เปิดยังยังไม่ถึงข้างข้างนอกอ่าประตูแรกก่อนนะอ่ะประตูแรกที่ขึ้นไปใช่ใก็หนูก็ย่องย่งย่องหลวงพ่อบอกเออศียน่ายบริสุทธิ์นะลูก หนูไม่รู้เรื่องอ่ะสินห้ากับสินห้าหนูไม่สนใจแล้ว่าสินห้าเานูกินเหล้าอยู่กินเหล้าเหรอกินเหล้าอยู่โอ้อาจารย์ยกทรงกับพ้าไม่เด่น่ลยอ๋อหลวงพ่อหวังไงก่อนนะอ่าสินห้าบริสุทธิ์นะลูกแสดงว่าก่อนมาถึงหลวงพ่อนี่ยสินห้าบริสุทธิ์ไหมก็ยังยังกกินเหล้าอยู่เป็นผู้หญิงกินเหล้าเป็นเหรอ เริ่มจะติดแล้วอ่ะเริจะติดแล้วเหรอเริมจะติดแล้วขอโนโมธามิอะพอหลวงพ่อพูดประโยคน์ที่พุทธศาสนามันสะดุ้งไหมไม่สะดุ้งเลยแสดงว่ า, <c oughs> าใจ น, นี่แย่แน่นอนไม่ไม่เคยเข้าวัดอ่ะไม่เคยเข้าวัดเลยไม่ไม่เคยไปไปแบบว่าแบบที่จะแบบต้องแตบบ่งชุด ข, ขาวเข้า ว, วัดอะไรที่แบบใจมั่นอย่างเงี้ยอย่า ง, อ ย, างอย่างไม่เคยไม่ย่งไม่เคยก็เลยมึนอยู่มึนอ่ามึนก็ ไปหายังยังไม่รู้จักว่าทําสังกะทานเป็นยังไงสังกทานเป็นยังไงก็ไม่รู้ยังไม่รู้รู้าไม่เด็ดขก็รู้แต่ว่าเขาใส่บิโตกันแต่ผ่านออผ่านนี้ยังไม่รู้อ๋อสมัยก่อนโบาราณเราใส่บิโต้ใส่บิโตก็ไปหาที่เขาเช่าวัตถุมงคล อ, อ, อยากจะไปหาของที่แบบาขายดีอะ่ะ อ, อ้ตอนนี้เ อ, อ่อหนูพี่บอกว่าไปทําสังกทานเลยเดี๋ยวได้พระคําข้าวเอหนูก็เข้าแถวไปทําสังกะทาน ทำสังฆทานชุดละร้อยเพราะว่าตอนนั้นหนูไม่ค่อยมีสตังค์ตอนนั้นรวยมีมีตังค์น้อ ย, ย<ะ>เลยทำร้อยเดียวก็ไหนจะเติมน้ำมันลดมาอีกอจริงจรจริงจริงชุดรอบข่น<ต>ก็มีแค่ร้อยก็ทำร้อยก่อนก็อย่างดีน ะ, ะก็ทำสังฆทานเอ่อก็ยังไม่ได้อาติทานอะไรหลวงพ่อก็ให้แต่คนอื่นว่ารวยรวยลูกเอ้ยแต่เวลาถึงหนูไม่เห็นให้เลยไไม่ให้อะรเลยไม่ให้เลย เลยได้รู้เองทําไมไม่ให้ก็คือทําไมไม่ให้เราอว่านใช่ไหมได้ยู่ก็เลยอ่ะกลับแล้วหลวงพ่อก็จะถึงเวลานั้นแล้วก็ลดน้ํามันลดน้ำมันแล้วทีนี้หนูกลับไปบ้านกลับแล้วไปยัไงกลับไปบ้านก็ไปชวนเพื่อนอีกเพื่อนที่สนิทกันมาอีกมาเอกมาอีกได้ค่าน้ำมันลดแล้วเพื่อนช่วยด้วยเออแล้วก็พี่ชายด้วยพี่สะัยด้วยเออก็ช่วยกันหนูก็ ได้าน้องมาแล้วมีสตางอีกร้อยนึงอีกร้อนึงใหอเางนตาไม่จริงเงนอะไาอีกร้อนึงก็จะให้หลพูดว่ารวยเอออให้หลวง่ไม่พูดที่พอถึงหนึ่งพันหยุดทุกทีเลยนะหยุดแล้วก็วะเสียไปสองร้ยเลยน้องไม่รวยนียที่ขาดแล้วอายงไต่อแล้วก็อ่า หนูก็ไปเที่ยวไหว้ตามที่ต่างๆอ่ะเพราะว่านั้นไม่ได้ไวาเพราะมันจะเย็นมืดก็ไหว้สถานที่ต่างๆแล้วก็กลับกลับพอประมาณอีกชักอาทิตย์หน้าเป็นวันจันทร์หรื อ, อขายของได้วันอาทิตย์รวมเงินได้แล้วได้หลายร้อยหน่อยคราวนี้มาอยู่ว่ดสามวันแล้วชวนเพื่อนมาด้วยพ<อ>ี่สะพ้ยด้วยสามคนก็มาอยู่ว่ดสามวันว่า เขามีการสกไอ้น้าพระทาเยออะไรอะน้ำพระทาหนูก็มาพอวันแรกก็มากราบหลวงพ่อแล้วก็ถวายสังฆทานหลวงพ่อค็ไม่ได้ให้รวยๆนะไม่ให้เนอะใหลือไปสมร้อยแล้วสามรอยพ่อมนประท้วงให้เป็นเกลียดเลแล้วทีนี้ก็ไปถึกวันนี้ที่ศาลา เออร้อยเมตรร้อยเมตรสดี่ก็เอ่อกับคูนาคูนาค่าคูคูนาแล้วก็เมชีจุรีสองวันนะฮะวันแรกก็ไม่ได้เลยไม่ได้วันสองก็ไม่ได้เอองไม่ไเจะึกกับมชีจูรีเมชีบอกว่าได้แล้วไปเลยได้แล้วไปเลยไปไปอีกคูนึงอ๋ออะไม่ได้ไรก็ไปโอไปก็ไปฝึกเพื่อนเขาได้หมดเลยนะ วอวันวันที่วันที่หนึ่งที่สองเขได้หมดเลยแล้วหนูก็มานอนที่พักแล้วเขาไปกับพระจุฬา ม, มานีกันรู้เด็ดอใบมณีอ่มะมันหนึ่งใบที่พระจุฬามณีเลย เ, ออเด็ดไม่งั้นแหละไม่รู้เรื่องอะ่ะก็มานอนที่มานอนที่พักอพอประมาณสี่ทุ่มเขากคุยกันอ้โหเราไปเจอนะ้ท่านปู่ท่านย่าเราเล่นน้ําด้วยโอ้โหกลัวไม่ได้เลย <laughs> ไม่ได้เลยนอนนอนไปก็มีเท้าอะเอายันหลังเลยเ้ามายันหลังยันหลังเลยโระทตาเหรอระทตาเลยเรกีนีอยู่ลยีสนียังไม่หลับเลยอ่ะก็ฟังกูอยู่อ่ะเือเอ็ีอคโเลยหรคเลยคโกเลยจะ ก็ครูโปเลยได้สวยใจวันที่สามเออวันที่สาเพราะว่าหนูไปอยู่สามวันเออวันที่สี่ถึงกลับเออก็มาฝึกกับหลูงพี่สมกองเขาไล่ขึ้นอีกอะฮะเขาไล่ไม่ได้เลยครูฝึกสองคนแล้วยังไม่ได้เลยโอก็ไล่มาที่หนลวงที่สมปองเออฮะันหลูงพี่กับหลวงพี่เฮ้ยเขาว่านนี้นะหลวงพ่อไปหลวก็นอนางน้งมาพ่อตาธรรมพทานะะนี่จิตหนูน่ะไปคิดว่าหนูพ่อบอกว่า ถ้าจิดแรกคิดว่ายังไงให้ตอบปั๊บเลยฮะพอคุ่ที่ตกวาเข้ามา่ยบอกหมามั้งเลยหนูไม่พูดแบบนี้เลยนะเออหนูกลาเป็นหมาใชไหมไม่ไม่ใช่หนูหลับตาอยู่เออประตูมันดังแค่เออบอกไอ้หมามั้งเออโอ้มาโล่หมาโล่หานั่งชิบนี่เ้หาพ้าอีกวากูเสียกบอกหมา ในใจอ่ะแต่ที่ในใจนะไม่ได้ออกมาจากปากที่ลุงพี่เบอกว่าโยมหมาก็หมาว่าท่าซุงนะตายหาเลยแล้วนึกในใจเหรอในใจ่องรู้รู้าหาลหมาก็หมาว่าทางได้เอก็มึนอยู่อ่ะอ่ามนต่อเขาพูดเรื่องหมาก็ไม่แม่เอ็กูนิเนาะพระแค่ๆเสรบอกว่าหมาหมาว่าเสร็จแล้วก็พอบอกว่าเอ กูพูดอะไรนี่ยึไปอูอีกีกูจะบาปก็แล้วมั้งย่อมไม่บาปหรอกใชอะเออเอนี่หว่าไม่แค่ในใจนะเอนมีสคนด้วยเอื่อนหลายคนเออเอาูนี่หว่าเนี่ยว่าูนี่หว่าตายอะูแล้วนี่บอโอ้โหตายห่าแล้วกูจะไปยังไงวะเนี่ยกูไม่พูดแล้วถ้าพูดไรรู้หมดเลย เก็ไว้ใจเออเก็บเก็บไว้เก็บเไว้ใจอไเไม่พูดล้วคุณพุทโธอย่างเดียวพทโธไม่พูอ่ะมันจโอ้ยตายหาเลยยอมอีกหน่อยยอมจะได้ดีพี่เทาพี่เก่งว่ะยอมอาจามาไม่เก่งหรอกเป็นบารมีขององค์สมเด็จสัมมาสัพพะริชาท่านสงเคาะหอเน่ใช่เราเลยบอกวิธีเราบอกว่าพ้าองค์นี้เก่งก็ใิจใจใช่หมใช่แต่ท่านตอบบอกว่าใช่ ท่า น, าาานก็ตอกมาว่าโยมอาตมาไม่เก่งหรอกเป็นขององค์สมเด็จสมมราสมรรุทรเจ้าส<อ>่งเคาะบอกโอยกลัวช่วแน่เลยอย่างนี้ก็้ิดเออหนูก็ไม่รู้อะไรละ<อ>ก็ท่านก็สอนสอ น, สอนเรื่องศิลนอะไรอย่างเงี้ย<อ>ก็เสร็จพอดีหม ด, หมดเวลาของวันนั้นใช่ไม้มของวันนั้น<อ>แล้วก็ออกมาแล้วก็มาเล่าเพื่อนฟังเฮ้ กูหมดเลยว่าวันนี้หมดเลยหมายอะไรหมดคฮ้คนที่สัมพองมึงอดกูคนเดียว <c ười> <c ười> เออแต่ก้าตอที่ถือว่ากลับบ้านก ล, ลับนะบ้านกลับบ้านนี้ก็เออเขาระมาประทานมาประทานนี่เขาไปกันได้กูทำไมไปไม่ได้ไหรืออืมเขาไปได้หรอกไปไม่ได้กูจะทำยังไงวะเนะะี่ยทำยังไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวลองกลาหน้ากลางวันลองกอาวันเลยที่ไหนอ่ะที่บ้านที่แค่ แค่เป็นไม้ไผ่อะบ้านหนูอยู่เป็นป่าติดเขาอะแล้วอะละม้าพัชละม้าพัชละม้าพัชนะแสงแดดมันก็ส่งมาแนานเหมือนกันนะมันก็ร้อนหลบพุ่ตายช่างแหม่มันเถอะโอ้ขาดนะช่างแม่มอยากตายก็ตายไปเลยละละม้าพัชละม้าหนิโมพัายะแส่หนิงเหวอนแบบคนคนเดียวกันเนี่ยูดสงคำออกมาเลย เออสองออกมาสเรเลยเลยนั่นน่าประทับกับนั่นหนูพทษยะเลยอ๋อนี้พอแตงแตกฝกมาถึงก็ลอวลอยลอยลอยลออยลอยลอย้ก็พุ่งออกไปเลยมันเดินดินไอตัวไหนออกมาเหรอไอตัวไอตัวไหนออกมาหนูมาเดินดินเดินดินแล้วหนูก็มาขย่าแฟนขย่าใหญ่เลยนะหนูไม่รู้นะว่าหนูออกมาเดินยังไม่รู้นะหนูก็มาขย่าแฟนลืมเลยว่าทํากําลังทําอยู่ ลืมเลยรู้ว่าขยาดแส่ที่ทำไมกูขยาดตั้งหลายขนก็ทาไมไม่ร like um, ู้ส so like ึกแต่มันก็แต่งชุดนั้นนะขยาดเท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกพรานี้แหะว่าเอาตัวกูนีกว่าน่ะหรือว่านี้ตัวกูดีว่น่อก็มีสําตัวนี้ว่าหอ่านี้เได้ไงนะอ้าว้ยหนู่อบอกตายแล้วไม่สูงอุแน่ไวแน่ไวว่าตายไปถึงแน่เลยเออดีกับตัวกูนั่กับตัวกูเออทาไม ไม่ไปพัจุรามันีออกตรงนี้ได้ไมไปจุรามันีไม่ได้เพราไมไปไม่ได้ก็มานั่นนี่ลูกสาววิ่งมาเลยวิ่งมาไกลๆเลยเธอที่หนูก็เห็นลูกสาวกลัวว่าจะมาปกหนูหนูรีบเข้าล่างเลยเข้าล่างหูกว่าจะกระดูกกระดิกขันมันแข็งอู้อึดอึดแต่ว่าพลังอลูมพลังบิดให้มันกระดูกกระดิกได้อ่ะต้องนาน่ะ มันมันแข็งแบบเยอะมันแข็งแบบหินเลยอ่ะเลอหนูพอหนูเข้าแรงเสร็จหนูก็พยายามรวมกําลังตั้งหลายทีนะสามครั้งแล้วหนูก็กระดุกกระดิกได้ออแล้วหนูตื่นมาหนูลอยแต่ฝั่งเฮือกี่ทยเนาะเชื่อไ้มเชื่อเชื่อเออฝั่ว่านอนสอนง่ายดีนะดูนายว่าว่าถึงนี้ใช่ได้ใช่แต่ก็เชื่อเอแล้วที่ถือว่าพยายามอ่ะเดี๋ยวพศสามห้านะอันนี้นี่ก็ผ่านไปแล้วอรนนี้ก็ เดี๋ยวจะต้องมาสึกให้ไปพระจุลามณีให้ได้โอ้ต้องการพระจุลามณีต้องการเขเพื่อนได้แล้วอ่ะได้ม่ได้ไม่ได้ก็ก็มาก็มาก็ไปการที่เอ่อก็มาอีกนะมาฝุกอีกอมาอยู่มาคนเดียวนะแต่นี้มาคนเดียวได้ไหมคราวนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยไอ้ที่ออกอย่างนั้นออกได้ได้อ้จะไปจุลามณีไปไม่ได้ไม่ได้ สงสัสยติดขวดเหล้ามั้งแต่ไม่รู้ น, นะเพราตับจากหลวงพ่อหนูไม่กินเลยนิดทิ้งเลยพอยจะกินนี่อ้วกออกพอจะกินอ้วกออกเลยหนูเลิกตั้งแต่วันที่หนูมาหลวงพ่อเลยเ<อ>ไม่ไม่แตะเลยนะแต่นิดเดีย ว, วห้าปีมานี้หนูไม่ได้กินเหล้าเลยหีูกินสิบห้ามัตลอดแ ล, แล้วต่อไปจะไ ม, ไม่กินเลยนะไม่กิน อ, อ้ไม่กินนะอ่าทีนี้เรามาเอาประเด็นตรงนี้เลยนะอ่าไปที่แล้วมาฝึก เต็มกำลังเหมือนกันใช่ไหมมาสามหผกินี่ได้ไหมที่ที่สลาเนี่ยที่ที่สองไลได้หมขึ้นกาลังอ่ะขึ้นกนลาลังอ่ะไ ม, ไม่ไม่ค่อยได้อะ่ะที่ว่าสร็แล้วตอนเต็มกาลังฝึกได้ไหมเต็มกลงังสามดไม่ได้ไไเต้นปะปะปะปะปะปะเนไหมเตไ ป, ปไหมมันเหมือนคอมันจะหลุดคอจะหลุดคอมันจะขาดอ่ะคอจะขาดเหรอมันเหมือนจะขาดเลยขึ้นมาที่จะขาดมันทำไมขาดพกทีงทำยังไงถึงจงไมออก สองวันไอ้วันเสาร์ไม่ออกนี่หนูก็มาหาถามลวงพี่อาจารย์ว่าทําไมมันเป็นอย่างนี้หลวงพี่บอกน้ํามันหมดน้ํามันหมดไม่หมายความว่าไงเนี่ยมันยังว่าน้ำมันหมดหนูคิดเลยว่าถูกใสเป็นเจ้าว่าเจ้าว่าน้ำมันหมดหมายถึงอะไร น, นะห <c oughs> ลัลงแ <c oughs> รงส่งหมดอมาติดกรงคอแนละ้ว <c oughs> ไม่ไม่บ้ามันนี่เรื่องที่นั่งที่แค่เนี่ยเออตายเป็นตายช่างมันอย่างนั้นแล้โอ้โหแจ๋ว ติร็จขาด้ปแล้วจะออกของเนี้ยใช้หมดน้ำมันหมดหมูก็ไปทําสังกะทานเติมน้ำมันเอออ๋อไปทำสังกะทานแล้วนมันจะเป็นสังกะทานแน่เลยบุญคงน้อยมากอหรือว่าบุญเนี้ยต้องน้อยที่สุดเลยมันไปไม่ได้น่เออเพื่อนไปกันหมดแล้วอ่ะมีเราคนเดียวน่ะไปไม่ได้ไปไม่ได้วาระทิศก็อย่างเงี้ยตกลงว่าตัดสินใจไปถลายสังกทานเท่าไหร่คนนี้มากไหมร้อยเดียวร้อยเลยเอาอย่างดีเนาะ อ้าวถวายแล้วเป็นไงน้ำมันดีก็ว่ที่ก็ไม่ได้ว่าที่ก็ไปถวายห้าร้อยมอกหน่อยมากหน่อยจะเอาให้ได้จะเอาให้ได้สาเสียตละอีกตีเป็นห้าร้อเสียตละแล้วก็มันจะขาดเหมือนกันแล้วมันไปมไหมไม่ไปมันอยู่ตรงหัวอนะมันอยู่ตรงหัวทีนี้โอเลื่อนจากนี้มาเปนี้หัวพอจะถวายกินก็ด้เลยนะกินโอ้โสดหมดเวลาเออสาวหก อันนี้กลับไปบ้านกลับไปบ้านใช่ไงกลับไปบ้านหนูก็แต่แต่ปีนั้นรักษาโลกนะหเป็นไซนัดเน่ะออกมาเป็นยวงเลยนะบอกว่ากำไรไม่ขาดทุนรักษาโลกถึงไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่เสียใจยังไงต้เอาให้โลกหายก่อนเออหรือว like, like ่าอย่างนี้ไซนัดน่ะน้ําเขียวเขียออกหมดเลยอ่ะสิ้นสุกเต็มเลาแล้วกลับไปในห้องนะออกมาเป็นยวงเลยอ่ะบอกเออดีว่้ นี่ก็กลับไปบ้านกลับไปบ้านหนูก็อนมน์หลวงพ่อไปด้วยนะหนูก็ไปซื้อดอกไม้สามสีเข้าหลักโตถ้าเข้าหลัก็หนูก็อ๋ทำไงดีเว้ยหนูอยู่หน้าวัดน้มก่อนเนี่ยก็ปลูกเป็นสังกสีจะจุ้งมานะหนูก็บอกหนูอยากเห็นเทวดาไหมเด็กอ่ะอยากเห็นเทวดาไหมโถน้อูกขีโม พิงมาลองกับกูหน่อยสวะนั่นแม่นี่จะตั้งตัวเป็นอาจารย์สอนคนแล้เหรออ้าวเป็นฮะตั้งตัวเลยสอนเด็กเอาจริงเลยเหรอเอาจริงเลือกลองเล็กเด็กอยู่เด็กมันชอบยิงนกอะไรเงี้ยเฮ้ยเห็นอยากเห็นเรวดามะโอ้ม่กอู่ิโนะหน้านีองมันส้กงหน่อยใช่ปะเออเวลากูพูล้มึเชื่อนะอ่าบังด้วยพูดเลยเออตงเออเออตลงหนูก็เอามาสามคนอ่าแล้วหนูก็แจกเงินคนละบาท สมัยสมัยแจกกันค่าครูไ <locker, S 1> เพราะว่าไม่มีกระตังวางาออกเอง <Dual. S 1> เออสมแล้วเขาเรียกค่าค ร, รูออกครู<ข> อ, อ่าให้ให้กระตังคนละบาทก็ให้มันบอกสอนมันให้มันอธิษฐานก็ท่าน้มูตะกะสาจบก็ขอบารมีองค์ี่เด็ชสมมาสมเจา้าว่าเงินบาทนี้เป็นค่าครูแทนการค่าครูมีดอกไม้สามสีทูเพียนบูชา เอ่ตองค์สมเด็จสมมาสัตว์เจ้าและท้าวระเจ้าเจ้านทุกขพระองค์พระธรรมพรยะทรทั้งหลายทูบอาชาทั้งหลายสืบ ส, สืบก็มามีหนูปูปานด้วยอหหนูก็ว่าหมดเลยจะ เ, เอาเงินใส่พานใส่จานอ่ะใส่จานอาใส่จานหลูก็ตันแล้วก็เอามึว่าไปเลยนั่งน้มะพร้าอย่างเดียวนะมันก็ว่าน้ำมะพร้าวอย่างเดียวพอมันว่าไปว่าไปนี้หนูก็แบบมึงขู่มึงตื่นช่วยเถิดนะคนลูกไม่ได้มโน นี่เด็ดขาดไปเลยลูกไม่ได้แล้วไม่ได้ต้องช่วยหน่อยนะอยากให้หน้าแตกนแล้วกันายนี่มาเอครูพิเศษกันแล้ววครูก็ไม่ได้แต่จะสอนพี่ลพ่อลู่ช่วยหน่อยช่วยหน่อยอยาให้หน้าแตกกันเลย้พอมากพ่หนเห็นตัวแข็งไอ้วกนี้ตอนแรกมันก็อ่อนู่นะหนก็ลืมตาดูเล้งมันน่ะ โอ้มาตัวตรงแล้วว่าใช้ได้รู้เโอ้ไอมันลอย้ด้ตัวตรงนะเก่เก่งเก่ออตัวตรงนี่มันต้องเป็นญาณหน่อยแล้วะต้องมีญาณหน่อยแล้วถึงตัวตรงได้งั้นก็ตัวตรงพอใช้ได้แล้วตัวตรงแล้วหรือว่าหรือว่าแล้วดูก็ขอบารมีสําเร็จสมมาลเจ้าเออแล้วให้มันว่าตามว่าตามขอให้ลูกได้ทิพย์จากกุญแจมสอะไรขอไปทัศจุลามณีเอะไรเี้เลยพอไปถึงอ เฮ้ยเห็นทำเย็นนูนวะเห็นแล้วแซบมืกราบเลยี่เพาวบกราบเลยเหรอกราบเลยพอกราบร็บอกขอบ้านมียองสมเด็จสมมาสุภฤยามันก็ขอเออเออหญ่อยพอขอเสร็จกราบเสร็จนี่เห็นลุงพ่อก่อนนะเออมันยังไม่เคยเห็นลุงพ่อนะครับอ่ะมันก็บอกเห็นลุงพ่อกาบเขากราบเห็นท่านแม่โูต้องเจออย่างเได้เกน่ะออลเออม้เกด้วยออตอมกราบมกราบเนี้ยก็กราบใหญ่เลยก็ก็กราบใหญ่ก็ ท่าปู่ท่ายาก็การเสร็จไรเสร็จพอลงอะพอบอกพอโอเคเลยพอแล้วก็อ่าบอกว่าเออมีเชื่อยังเทวดามจริงเหกเชื่อแล้วมีวิเกด้วยอ่ะมีวิเกด้วยมีวิเกด้วยวันนี้ดูก็ตั้งต้นฝึกมาเลยฝึกมาทีนี้โหสามคนกลายเป็นห้าคนเจ็ดคนพอวันสองหนูต่ออีกเลยต่อไอ้สามคนก่อนแช่อันจะเล่นน้าอ่ะ ไปเล่นน้อ่าก็จากนั้นอีกละตำทาเลี้ยงอ๋อหายากอ่าแจกเลยคนละบาทที่ก็ข้ามเล่นน้ามันก็เล่นเฮ้ยเล่นน้าเปียกเปล่าวะไม่เปียกอ๋อแค่ไม่เปียกของใส่ของจริงไม่ในใจนะก็ไอพวกนี้ไดของจริงแน่เลยไม่เปียกไม่ได้ต้องบอกให้มันชัดๆจะอาศัยพวกเองไหมก็ไม่ได้เนี่ยฝก พวกพวกมันอ่ะคันี้ก็ก่อตัวกันเริ่มเป็น10คน10คน10กว่าคนอีกอ๋อกว่าด้วยนะอ่ามัน10กว่าคนก็เริ่มตั้งแต่เด็กป .4 ถึงป .6 แค่นั้ดูว่าทำอย่างนี้ไหมล่ะพอพอหนูนั่งมานั่งนั่งสอนพวกมันเอถ้ากูสอนทุกมึงเนี่ยกูก็ไม่ได้อ้าวกูต้องหยุดสอนซะแล้วเออกูต้องห่างมันกูมันได้กันหมดกูก็อดใจแล้ว กูต้องเลิกสอนระยะอื่นือตอนแล้วกูไม่ได้นะไม่ได้โอแต่ว่านะครับหายากไหมลูกกูบา้ายจอย่างนี้นะเจ้าว่าดตาไหลปึ้งหายไม่ได้แล้วกูในโลกนี้ถือถือคือสอนไปมึงได้หมดกูไม่ได้กูต้องเลิกไงต้องเลิกสักระยะอื่นต้องให้กูได้ก่อน เอ่อเอาเอาเอาทีน้องหยุดไหมก็ยังไม่หยุดพวกมันไม่ยอมหยุดเสร็จแล้วเสร็จแล้วไม่ยอมหยุดอ่ะเอาไม่ยอมยุดมนกเอาไป่ะเอาไะว่าจะุดพวกนี้เขาขอหน่อยหน้าวันนี้ขอหน่อยแตขนเมันมันสนุกดีอ่ะพอมันขึ้นไปมันก็โอ้โหชนเสามันเด้งดิมันก็ไม่เจ็บเอมันมันงมันแรงนะ บอกว่าเออหัวชนสาวแล้อ้โหชนนิ่งจังไมดนิ่งเลยเว่เออมึงทำได้เหรอบอกทได้กเออ่ะแล้วพอวันเออนะขอโทษก่อนไม่ไม่แก่ก็ม่แ่ไหมหออกเงินเองก็ได้ี้เลยโเด็กใจถึงเลยนะมันไม่วหนูจะเสียได้เงินนะแต่เปล่าอพวกไม่ได้ เรหนูมย <Lindsey> bueno ่าบอกวนะเรไม่ได้อมไว้อมไว้ภูอมภูมิไว้เด็ดเดเดชาวนี่ยนี่แหละมจะมาสอนนักตาสงนะภูมิอมภูมิเนยนะเออว่มาเดี๋ยวก่อนให้กูไปฝึกเต็นกำลังก่อนแล้วแล้วกูจะมาสอนพวกมึงสอนประมาณอยู่สักประมาณสอเดือนเ้ื่องสามเดือนก็เรียนติดเทอมพอดีสามเด้อนยุ่ง แล้วก so ็มาเลวเนี oh ่จนพ่อแม่นั้นว่าบอกว่าสูดมือไปกันมากเดี๋ยวบ้าล่ะอะไรอย่าเงยเลยอ๋อแม่ลองไปสุดก็ไม่สิก็ได้มือเรื่องจริงหรือไม่จริงอ่เด็กเขียงเลยแล้วก็นั่งนิสัยเด็กเขียงพ่อแม่บาปเปล่าวะอะอายุให้เด็กเขียงไม่เกี่ยวนวดตกใครตกมันฮึแล้วพอแรงได้หยุดก็เลยพอดีช่วงหยุดพอดีเรก็หยุดว่าเดี๋ยวต้องสุดมาก ทีนี้พอมันไม่มาันอยู่ก็น้มัพระธาตุา ม, มากมันก็ขึ้นโคมากขึ้นเอขึ้นที่ที่หนูว่าเมืคือหนูก็ทำก็วันหนูก็ามเวลาไมา่อยู่อ่ะก็ขึ้นพอหนูน้มนพระธาน้มันพระธาตหนูก็ขึ้นไปเหนือบนยอดกำนะ่ะขึ้นไปที่นั่นนะเป็นที่เองวางเลยอีกที่มันดาอีกที่มันขาวจิตใจนั้นยอกว่าใครทาไม่ดีก็หลุไปที่ดำ ให้ทำให้ดีไปที่ดอ่ไอไอคนทดีไปที่สว่างหน่อยสว่างหน่อยอ่หรือว่าอยมันกสว่างันอตังนแล้วเออจัดกันยังไงวะติดอก็นติดจังัไมันก็ยัอยู่ใต้ดินนะครื่องส่งนีก็ต้องยู่บนฝนแค่แค่นี้เองหรือว่าเราก็ลงมาแค่นั้นแ่ะอ๋อครับแล้ววน่อมาเราทำอีกหัวขึ้นครูทำละมาประทานเนี่ย พอธรรมะพระทะาเขามาเรียอะไรสร้างเจดีเออเเจรียะพวกนี้สร้างเจดีแล้วมีจะได้ส่วนอะไรเวยหนูว่าหนก็งมะพระทานธระะท่านหนูขึ้นไปเฮเจดีเต็มเลยต็มขึ้นไปถึงหิเซซเเซซเเลยนะอไม่มีแรงเหมือนคนแบบเดินโอ้โหไม่เป็นเลยอะหนูเกาะอนทีเกาะตรงนี้ทีอย่างก็จะหมดแรงเลยโอนีห ทำข้างล่างเดร็จข้างบนเอเจดีเยอะจังทำบุญจะดีข้างล่างแต่จะดีไปสงข้บนมีไม่หมตัวเราหรือที่ตายนีอย่างเสียสายเสียขวาพอเห็นเจดีสุดไม่ถึงตายหนูก็ลงก็หมดแรงหมดแรงท่านบอกงั้นก็ต้องลงหมดน้ํามันเตาอาจารย์ไม่เคยไปถึงพระจุลามณีสักทีครับครับอันนี้ก่อนตอนนี้ที่เรามานี่ก็เป็นเรื่องของเข่าวก่อนๆที่ผ่านมาจะได้จะมาเข้าประเด็น การฝึกมโนมยิทิเต็งกํงลังของปีนี้ว่าการฝึกมโนมยิทิเต็งวําลังของปีนี้มันไปยังไงมายังไงก็จะได้อาจารย์ชัยวัฒน์ว่ากันต่อไปนี่มันเยอะๆสงถามเลยส่งถามเลยถามเออเอาเลยเลยอายุเลยเลยตสอเลยอ้าวต่อไปไหนต่อเมื่อกีนี้สามสิต่อแล้วสามหกอันนั้นสามหกอันนี้สามสอบเออสามสิบน่าจะมโนเต็งวังไังนะหรือก็มา เาอ า, อาจริงเรื่องมีประโยชน์ไม่ต้องข้ามก็ได้เพราะว่าอยากให้ลาดับมาเลยเพราะว่าโยมเนี่ยมันไม่ใช่มาถึงปุ๊บได้เลยนี่มันไป็ัตอนเอาตั้งแต่หมดแรงเมื่อกี้เลยที่ขึ้นทั้งแรงแล้วเดี๋ยวต่อไปจะมีแรงแหละวันนี้สามตุ้มแหละดีไม่ง่วงเลยอะ